ในเมื่อถึงเวละที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็เพื่อมุงประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บกลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆหมดเนี่ยที่เรากลัวก็เพราะว่า เรายังไม่รู้ซึ่งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกวันยังคําเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ ประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบรรดาญจิตให้เกิดความรู้โภมจิตโภมธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมรรถภาพของผู้บาเพ็ญ น, นั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหน การทำสมาธิโดยทั่วๆไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของนักสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอหนังบางฟันอะไรทำนองนั้นทำให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออำนาจสมาธิ ถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตโ ต, โตเบ้อจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณแล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส้คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทาลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นเมตขาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่ป้าพันทําสมาธิภาวนาเนี่ย พอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุเข้าไเจ้าภาวนาแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์มิตราสมาธิขอใหรเข้าไเจ้ามีคนที่ยอมนับถือมากๆมิตรษาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่มุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนี่เคาะเคาะเคาะหลง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 แต่นอย่างสมติ ว, มว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆทําเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของกนและบางทีสามารถที่จะนึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให่ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโ ต, วตวขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้น เพือมองตรงต่อสชคปฏิปันโนผู้ปฏิบัติโอโชปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่ความรู้ยิ่งเห็นจริงสามเจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังกุฏจ์ิงจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อรรถมากล่าวว่าการทําสมาธิไม่จําเป็นแต่ต้องมีศีล สมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาสนักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆนั้นบางทีเสียเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบ่อไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดตีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติ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 เมื่อความทั่วที่เราไม่ได้ทำนั่นมันห่างกันไปนานๆเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนะักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทาไปเถอะทาไปอย่างที่ท่านอาจารย์สา ว, วาภาวนาพุทธโธสิ ในเมื่ตั้งใจภาวนาพุโทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนาธรรมถทานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองแล้มันร่ํารวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นทักทีทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งๆ ท, ที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลย แล้วเมื่ไรมันจะถึงสมาธิสมถะกันสักทีเราจะนั้นอยาไปกลัวขอให้ทําจริงอ <c oughs> นอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทําสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เต๋อแล้วอาตมาใกล้จะแทรกแทรกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสําหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องที่ ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนโมายธิออกมาพูดกันเรื่องมโนโมยิทธิแต่ว่ามโนโมายธิคืออะไรนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนโมยิทธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจ แต่วิธีการนั้นที่จะทําให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทํามาแล้วและบางทีอาจจะทดลองดูก็ได้แต่สําหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั้นก็มีไปกันได้หลายวิธีหนึ่งภาวนาพุโทโธแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์ เมื่อเจตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนระกดูสวรรค์ได้ประการที่สองภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหลัการที่สามภาวนาคาถาปลุกพระคือนามพะทะประการที่สี่ใช้วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนระกดูสวรรค์ได้ หาบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดี่ยวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทําคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเทศจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์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 เอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลกแล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมจตะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่า พุทโทโทีปังกโลโลกทีปังอาคาสะกะัสีนังวิโสทยิธรมโมทีปังกโลโลกทีปังอาคาสกัสสินังวิโสทยิสังโฆทีปังกโลโลกทีปังอาคาสะกะัสีนังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประเทศแก้วสองโลก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 ในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรงถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดาทีนี้ถ้าเหาะไปเขาจะกลางตีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และเ อ, อกวิธีหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุ สิบสองขวกถึงสิบห้าขวกหรือจะเป็นใครก็ได้อามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัตรนี้ท่านจะสะกดเจ้าให้ไปดูลนะลกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงามีเงาสะท้อนก็เอาเยื่อใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษใ้เจะมองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับ แล้วก็บอกให้เขาหลับหลับ้าหลับหลับหลับหลับหลับหลับพอสังเกตดูตาหนังตาเขาหนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยให้เขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าบัดนี้ท่านจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกตู่สวรรค์ท่านจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้ปีเิตมีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาได้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 อันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมโนโมยิทธิหรือไม่อาจะมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำลายดีอย่าไปตาหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาจะมาเป็นห่วงยังมีโค่าอาจารย์บางท่านที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันนี้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 แต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีพิเศษได้ทั้งโสดตศึกษาทัศนาศึกษาที่ว่าได้น่นคือได้อย่างไรคนจะไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานโดยเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่าลำคานน่าเบือ่อพราะมันทุกข์จริงๆทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทําบาปอะไร พ่อเขารู้แล้วว่าทําบาปอย่างนี้มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทําบาปทีนี้คนที่ได้เห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทําบุญนี่คือผลที่จะจะจะพึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอบายสอนผลให้รู้จกักศีลรู้จักทำให้รู้จักทําบุญสุนทาน อางนัตนธมาเทศย์ในท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมาก็ไม่สามารถที่จะจิตเอาของอรตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตติสึกษาส่วนทัศนคตึกษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้น การปฏิบัติทำเนี่ยหรือการสอนทำนี่แล้วแต่อุบายการทําให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นี่ขอยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทําได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทําให้พวกเด็กๆนี่เนะชื่อว่านรกสวรรค์มีบักคนทักวันนี่ส่วนมากไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีดฉะนั้นถ้าใครจีบเอานรกมาตีแผลให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียว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 แล้วก็พยายามภาคเพียนปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่ในท้ายที่สุด<ใ> น, น, ดนี้โดยอำนาจแห่งคุณประสีรัตน์ไรคุณปิดาบารดาครูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อจนบรรดาจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะ ละกิเลสทันเป็นสิ่งซึ่งเป็นค่าสึกรบควนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรลุถึงความสงบสว่างและบรรลุผลสำเร็จคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด็อองค์ประกอบของการทำสมาธินี่ในมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นแหละกายก็เบาจิตก็เบา ถ่าสมาธิอันใดนี่เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเกินย่างลุงตลอดวันย่างค่ำในเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อยยังก็วิ่งมาทั้งหลายกิโลกิโลเนี่ยนั่นใช่ไหมได้ออกมาแล้วเบาออกมาแล้วต้องเบานั่งสมาธิไปดูนรกดูสวรรค์ในโลกหมู่นี้อยู่ในลักษณะของการสะกดจิตการสะกดจิตมีหลายแบบสะกดด้วยคาถาอาคม ถ้ากดด้วยอาถรรพ์ของวิชาทายาทโยมอยากจะเป็นนักสมาธิที่ถูกต้องอย่างดีนั้นเวลาเรียนสมาธิอย่าไปขึ้นครูกรรมฐ า, านถ้าเขินด้วยขึ้นครูกรรมฐ า, านน่าจะมีอาถรรพ์ครอบเหมือนกันกันกบเรียนมุนไสยศาสตร์ภาวนาแล้วจิตจะไม่เป็นตัวของตัวแต่ค่ายจะถูกคำหน้าจ า, างได้อย่างหนึ่งคมหรือยจะกดให้เป็นไป อย่างเวลานี้ที่โพราชก็มีอีกสายหนึ่งก็เรียกว่าสายสัญญาพอไปเคลื่อนโคแล้วก็ลงอัคระบนขมมมีการสวดเจติติไปภาวนาแล้วก็เมื่อใจสงบ ก, ก็ลงไปเมื่อน่อนกับมีสิ่งมะบบบิดหัวใจดึงหัวใจไปมีแสดงว่าเจไม่เป็นไปโดยอิสระของตัวเอง เราพุทธธรรมประสงค์หรืออารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้เป็นคู่ของใจนี่เป็นไต่เพียงเป็นสื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตส่วนอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เป็นแต่เพียงสื่อเป็นเหยื่อล่อจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นได้มากๆเท่านั้นเองทีงนี้เมื่อจิตมันอยู่ที่ของมันแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็าไม่ต้องไปตึ่งตาใส่ใครเขาจะไปเหนือหลองใจเขาก็ไปโดนลำพังเขาเอง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 มันก็ไปเกิดสว่างอยู่ในบริเวณนั้นอะไรที่มีอยู่ในที่นั่นมันมองเห็นได้หมดบางครั้งเพ้อเพอมันวิ่งเข้าไปตรวจดูในบ้านในช่องคนว่าเขาจะนอนกันอยู่อย่างไรอย่างนี้มันก็เคยมีนะแต่แล้วมันก็ไปเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านคนเขามีอะไรอะไรก็เห็นหมดแต่ว่าตัวไม่ได้เดินไปด้วยอันนี้เฉพาะนึกว่าพอเปรียบเทียบได้ บ, บ้างว่าคือมโนมยิทศส่วนหนึ่งเหมือนกัน มโนโม่ยิดที่ช น, นิดที่ว่าไปดูแลโลกดูสวรรค์นี่หากใครทําได้แล้วก็จะถือว่าเป็นมโนโม่ยึดที่ก็อพอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางได้เมื่อผู้ทําได้นั้นฝึกชำนิชนานาญขึ้นมาแล้วจิตของเขาก็อาจจะพ้นจากภาวะที่ถูกสะกดไปเองแล้วจะกลายความเป็นเป็นเป็นธรรมชาติภาพของจิตที่ฝึกชำนิชนานาญแล้ว เป็นอย่างการภาวนาเนี่ย <c oughs> จะภาวนาแบบไหนก็นตามถ้าอาจารย์สามารถสะกดจิตของโลกสิ์ให้ดำเนินตามองค์ฌานได้มันก็เป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอยากทำแม้สิ่งนั้นจะเป็นไปโดยถูกอำนาจสิ่งหนึ่งบังคับไปก็ตามแต่ปัญหาสำคัญขอให้ผู้นำนั้นนำโลกติดไปในทางที่ถูกต้อง เมือ่อถูกบังคับถูกนำบ่อยๆเข้าความเช่นจำนานในการปฏิบัติมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาเองแล้วพลังจิตของผู้ภาวนานั้นก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวขึ้นมาจีตละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดจะเป็นจิตที่เป็นอิสระสามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ไปถือก็ติว่า ถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิรู้ทำเห็นทำอยู่ในบ้านของตัวเองจะมีภาะปฏิบัติทมอยู่ในบ้านทุกวันถ้าใครภาวนาทำจิตให้สงบได้รู้ทำเห็นทำได้อยู่ภายในบ้านจะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นหมื่นองค์แนะนาให้เขาทำอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัด เองอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นภายในห้องนอนของตัวเองทีนี้บางคนเขากทัดค้านว่าท่านไปสอนคนให้เขาทําอย่างนั้นเผือเขาได้รับความสบายภายในบ้านเขาแล้วเขาไม่มาทําบุญกับท่านท่านจะไม่อดเลยแจะว่าบอกว่าไม่มีทางยิ่งจะมากขึ้น ก, กว่าเขาล้างเทียนจ่าที่ไหว้เราสวดมนต์เ็ะกระแผ่เมตตาใช่ไห การแผแ่เมตตาแน่นอนจะเลืกว่าตัดผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนพวกเกิดแก่เส็จตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขใจสุขใจเกดแค่นี้ก็เป็นการแผแ่เมตตาแล้วพอหลังจากนั้นจะเลืกในใจว่าพุทโธตัมโมสังโขพุทโธตัมโมสังโขพุทโธตัมโมสังโขแล้วก็กาหนดดูลงที่จิตนลกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตตัวนั่นแหะ เดนเดินดั่งนอนกินดื่นทำพูดช็ดนึกพุโทโธได้ตลอดเวลาควรสวดมนต์เน่เราจะได้สวดได้เพียงใดแค่ไหนไม่สำคัญแม้จะได้แต่เพียงน้โมตัสสะพระกวาโตจบเพียงแค่นั้ น, น, นก็สวดจูเพียงแค่นั้นแหละแล้วก็าสวดด้วยความมั่นใจ เป็นอุบายสำหรับอบรมจิตใจเป็นอุบายกระตุ้นความรู้สึกให้มีความตั้งมัน่นลงในคุณความดีสิเพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณพะธรรมอย่าไปน้อยอกน้อยใจผู้ที่ท่องโสดวนได้ไม่มากเลยจะไปน้อยใจ ถ่ายจำอะไรไม่ได้กอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยกน้องเฝ้าน้อยอยุน้องเฝ้าน้อยเพียนคาเดียวตัวนั้นใช่ได้แม้แต่การพิจารณาธรรมก็เหมือนกัน <c oughs> เห็นอย่างพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ก็ไปจําเป็นจะต้องไล่ไปจนมันครอบหมดทุกอาการแต่เพงดูเพียงกระดูกหัวไม่มืออันเดียวนี้ให้มันมองเห็นชัดจิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใช่ได้ อันเดียวนี่เนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งสมถาถะวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตมันมองเห็นว่าหัวแม่มือนี่เป็นหัวแม่มือแค่นี้มันก็เป็นสมาถะกรมกรมฐานถ้ามันว่าหัวแม่มือนี้ทําไมคดรคตเขี้ยวเขี้ยวเปลี่ยนเปียนแปลงปลงอะไรได้สดิทได้มันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้ว่ยอย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งนัก <c oughs> ทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้นั่นคือสมาธิรู้ว่าจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิคือวิปัสสนาเอากันแค่นี้ถ้าไปรู้มากกว่านี้แล้วมันยุบทีนี้มันรู้จริงแล้วมันขยายตัวไปเองมันเด็กอย่าไปยุบอาเคลอะไรให้มันวุ่นวายนักต้องไปแวะที่นั่นอีกจริงถือขอโอกาสนี้จะเดินปลานดาวบรรดายา จ, จมทั้งหล วัดป่าสารวันยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนเวลานี้กำลังสร้างหอพักสร้างศาลาที่พักพูทธิไปดำสิล